นั่อกเป่บห็นั่งอ๋อหนหเียนั่งูกูนั่งข้างล่างก็ได้นั่งข้างล่างเลยออกไปัาางนั่ อยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวท่นวอาทิค่ะหลงพ่อน่าเดอยสารนาทีจังหมูพี่มูวันกเลี้ยคนมวยรถกงอาทิบค่ะทุกคนอยู่ในลอนดอนรดทีเดียวกระตังจม้กวันนี้เอาปุ๋ยมาแล้วนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหลังอาหารแล้วก็คงจะเอาปุ๋ยไปลงนะจะ มันมันถุงใหญ่ไม่เมียลวงพมันไงเป็นเป็นเป็นแบบไอ้ไอ้จ่าอะไร้าง่ายใช้รถใช้มาละ่มกง่าง่ายเล็กๆันง่กต้องเลี้ยงมาแปะแปะแปะสัวใหญ่้วคุได้ไหมเมานม่โชว์ได้หมมิ้นยังสดกันนะผมเกย ออที่ดินเนี่ยตันรูตันแล้วมาเยอะสักผู้หอโอ้ที่ดินไหก็ถ้าว่ามล้วก็จะซื้องาตัวแล้ออกกับเขา ถึงบกให้ผมมาจะไปทางขี่ซานเต้ยไงทางใต้สบางมากแต่มาต่อกันกับจิ๋นยกหยกมาต่อกัน ไห้่ใครับนหรค่ะอยนๆเดือนป่ะยูเดือนสเดือนอยู่เดือนนี่ยไปท่กงนี้วันอาทิตย์นี่ไปหาลูกสาวหลายอยู่ด้บาดลูกเคยที่ตัวเนี่ยของประเทศอเตียไปอยู่น้อลูกสาวหลายอยูเดือนหน่ไปจังกมาโนดนนำหอโ นี่เดือนนี้เต็มเท่มกับบอลกลับมาจากพุนปักไน้องคนที่ตะเลงก็ไฟใหม่กัเปิดเบิดทั่วกรุงเทพบ้านเมืองีบุนไห้อีกเลยแล้วเขาก็ปฏิวัติตัวเองนะบระกองได้ เมง่เป็นท่าเหมือมีกระเทียงกันนะตัวนี้หลวงพ่อไปกี่โมงคะไปเมกาครับที่อ่านด้่ยกัอะไรเที่ยมการพ่อแม่ผมก็บินออก11โมง45ครับผม เร้ามากนเดียวเท่านที่คิดจะทไปก็มันร้อนร้อนเลยขึ้นเช็ดวิกเียใช่ไหรัอขึ้นเวิกวรอนรแคกแคกแคผมปกตไปอเมริกาก็ไปขึ้นที่แคบเวกนะไปสายกัินนอร์เวย์อีกนะครับ ก็งั้นอ่านิ่งกันจะคนละวิ่งแล้วตายสอเสี่ยวผมระเดนที่ยี่สิบสองสถาเชี่ค่ะที่หนึ่งอยู่โอไฮโอที่นึงอยู่ยี่สิบที่ไหนทีที่ังเก้านีกสิอีกเกาถึงคนนะะองหลัประเทศมันน่าดิ่งกันเขาไม่ถือปืนเห้เี่ประเทศนี้ไร ประเทศละนกามปนป้องกันโตค่ะดาบแต่บ่อยเป็นทัวประเทศค่ะเป็นบางรัดค่ะบางรักปัญหายุงซนแบบคนน่าเียรมายิ่งสุดี่แบลันใจกับกลัเป็นใจเสียวลาเอาไปดูไปเลยรแบบแต่นว่าแต่น ที 49, ่ส <6 S 1> ิบเ้าหัวใจวายค่ะ <4 S 1> อ๋อัออวใจ ว, า, ว, า, วายไปกระตนนจากขากยาอยู่บ่ยาตั้กอน่ท่นไไปน่กนันอนึงไปวสนดเยแม่ตาย้องกันจีตายอีกา <c oughs> คิดก่ตรงก็ถูกคิดคิกวันยแ่เรพลังแบบแปลคา่าอจใจจะไปคิดตอควบมคิดไปไปทุกวันคิดขอมาเพิ่งร่มหายใจขอขอมาทำภาวนาทั้งเดียวบุญภาวนาใจไม่คสงบขอคำขอพระเจ้า กว่าความสมบไม่มีเจ้าสอนคนเราไม่ชอบสงบไปชอบอยุ่งคิดเรื่องให้ยุ่งก็บยุ่งถ้าพูดไปแบบํามโลกยิ่งตามเท่าไหร่ก็ยิ่ง ไ, ไกลๆมันไม่สิ้นสุดพูดตามโลกนี่องพูดนเหมือนทำคำสั่งสอนของกุทิจเจ้าทคำสั่งสอนของพระเจ้าแบบไหน เวนดคนมันผมขอขบวชต้องสามวันว่วได้กให้คาถาพิเศษไว้น่อยบูดโทรศัพท์ไหนเอาเมียไป <c oughs> ว่าเ อ, อาอะไ ร, รารอกถืสิ่งอะไรถือจังเดียวคือก้อยบอกคือคําจิตของโบราณว่าของไนจะนํำออกของนอกจะนํำเข้าของเขาว่ันจะน้งออกไปของที่ตั้งนอกวัดจะน้ำเข้าไปวัด เรื่องของโลกวัดในใจบ้านเรื่องโลกโลกเดี๋ยวเข้าไปมุ่งเอาโลกเข้าไปไปในวัดมึง ก, ก็ยกุ่งคนเราชอบยุ่งความเสียงของปกติเจ้าเราชอบยุ่งคนเราชอบยุ่งยังไม่รู้ฝนเท่จะไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าไม่รุ่ง ม, มันเป็นยังไงรุ่งมันเป็นยังไง เวลาไปยุ่งมันก็บสบายก็มีคนสุงมันกสมบเลยท่วเยื่นกว่าคนสมบใช่ไหมละ่ะทำของพระพุทธเจ้ า, าง่ายแต่ว่าทํายากพูดง่ายแต่ว่าทํายากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองเบอกไว้ว่าเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ใหมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้หรือจะดูได้ จะรู้ได้จะรู้ได้จะรู้ได้ความหมายเดียวกันถ้ารู้เราก็รู้พอเห็นก็เหมืนมาที่นี่ไม่ต้องถามใครหรอกบุญกูเหมือนกันะถ้าทํำเราก็รู้เองซื้อไม่ได้คนอือทาแท็บไม่ได้ทําบุญ บ, บาปกูเหมือนกันทําแท็บกันไม่ได้เมื่อเวลาไม่เห็นบุญก็ไม่รู้บาปเป็นไงถ้าเทียบเอาโลกมัน คือเจรณาในหัวใจเราคนอยู่ในกองบาตอยู่ในกองนรก <c oughs> โลกนี่คือหมูสัตว์ข้องอยู่เป็นนิดคนบกข้องอในหัวใจมันไม่มีคว <c oughs> ามก่อภาษาบาลต่าไปเรื่องสอบเขาว่าคือสอบสอบก็ได้ว่า <c oughs> อยางเช่นสาวได้สาเอาเนล้พวก อ, อยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้โอกาสแล้วก็มีทางหาวิธีเอาเแต่ไปเอาทางโลกไม่ได้หาเอาทางธรรมท <c oughs> างหาทางสิ้นทางธรรมปัญหาของทางโลกก็ไม่มีปัญหาในโลกโลกมีหน้าอยู่ถ้ามีสินทท้นก็ทำถ้าไม่มีสินทท้นก็ทำโลกมีหุ่นวาย <c oughs> เรืดในคนใจสิงธกลับมาโลกาพินาโลกตัวก้อนองเราแลกับพินาศกันถ้าไม่มีสิงธรรมอยู่ในใจ <c oughs> นทุกคนกตังคนก็ตังม่ามีสิงธร ม, มตีต่เร่กกันตีกันขาดกันอุนวายกันแก้งชิงแกล้งนมกงนี่นนต่คนจักมีพิธีมานะไม่ละไม่ถอนไม่ปล่อยไม่บาไม่ทิ้งอะไรก็ <c oughs> ท, ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่ลงแต่มันไม่รู้อะ <c oughs> ไรไม่อยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะทําได้จะรู้ได้ก็ไม่ก็ไม่รู้แล้วก็เลยเข้าใจว่าทําบาปเป็นทํามุทำดีตรง ท, งทําดีตรงทําดีคนได้ก็ว่าดีก็มอยได้ก็ว่าดีโกงได้ก็บว่า ด, าา ด, าา ด, าาดีมันอยู่ด้วยความดีที่ไม่ ถ้าดีไม่ต้องเดือดร้อนตอนเองและคนอื่นถ้าทำเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนตอนเองก็เดือดร้อนเหมือนกันมันไม่ใช่ดีถ้าเป็นแบบแต่ท่า น, น จ, จะรู้ได้ก็คือการทำบุญท้งจิตนี่จิตสงบสุขดีย่งกว่าคมสงบดีจะเข้าสติได้เราก็ใครจะประหยัดสมกับช่วยทาแต่ ง, ง า, านความดีสบายใจทุกใจ ยากแต่พูดว่ายากแต่พูดว่าน่าถ้ามีจิตธาตุอะไรตรงนั้นถ้าไม่มีจิตธาตุก็ <c oughs> เป็นของยากหมดถนะึงกระผู้เจ้าได้ออกก่าวว่ายากที่สามัญนช น, นธรรมดาจะทําได้ต้องมาจากคนธรรมดาคนอยู่แต่ว่ามาจากคนธรรมดาหร <c oughs> ื อ, อจากภูมิของคนระดับสูงขึ้นมาเป็นภูมิของมนุษย์มนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์พูดจะทํา เรียกขันเรียกตอนโบตุดาติงาคาพระนาคาพระอรหรันต์พระอรหันต์ว่าไปเทมเดตโยตุดาก็ว่ารวมเห็นละทอนวมทิฏฐิมานะข อ, อไปจากหัวใจนิดเดียวหน่อยถึงที่ พ, พูดพูดอีกคำหนึ่งว่ามีจิตชาทิเลี้ยใส่พระสรมพุทธเจ้าสอนว่าทำสมาธิที่กวนจุก แต่ยืดถือเชื่อตัวนี้ก็แปลว่มันก็เกิดแากันะนคนเราไม่ได้การบกไม่รู้ว่าคน้สุกยังง <c oughs> ทุกทีมก็มุกมก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปยิงปย่งเพิ่มเข้าไปะเป็นหาอาตมะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเอยู่ทนี่มันเปลียนเป็นถูเรามาแทบเดียวแล้วก็ไปแล้วเิมาแทบเดียวแล้วก็ไปแล้วหา้สุกเล็กใ่ ลอ้อยูเ่องเลือดอ้ถึงกับว่าไม่ับผิดอสัวนานเยอะแยแต่ยืนจัดจังเก็บมาตื่นขึ้นมาเกยบ่าไม่ได้ยินเสอะไรบุมันไทยสนันมาไว้ส้อมตีกองตีขอ้องข้ออะไรตัวอะไรจะจทานเดียวกับแห่บุนกระทิน รอบดนรีชอบน่นชอบนี่สนานอะไรอย่นเพราะมันมองร้อนอยาเล่นตลอดวันดังขับขึืนย่างรุ่งก็เล่นได้เต้นีที่นี่ไปเล่นกางแกงก็ไม่ได้เตเล่นก็มีสถานที่ของเล่นกันตอนในห้องแก่ห้องอะไรห้องร้อนห้องเย็นน่อยสถ า, านนี้เย็นก็มีห้องร้อนเเทีย่ยวไปเล่นที่บ้านเราไม่ได้ยุ่เป็นยุดยเป็นในตัว กเลยเป็นเนมนองสงบจากคนนั้นเข้าจเขว่าอ้นวนายไม่มีข <c> า <oughs> พ, พูดภิษาศาสนาอ้นบายเขาว่าแต่เมือง พ, พุทธศาสนายิ่งอ้วนวายเิจำเท่าไหร่แน่นไปนหมดแน่นไปนหมด <c oughs> นี่ก็มีสถานที่ที่เซิูราที่กินจาว่าที้อะไรก็มีเป็น เป็นที่เอาแวงแตเป็นที่ที่เราจจิก็ินั้นเมาก็มเมาแค่นั้นดื่มก็ดืด่ม น, นั้นา <c oughs> ะนั้นก็ีโอกาสได้จะหาปฏิบัติธรรมเวลาอยู่การเรนนั้นก็ทำสมาธิมากๆย <c oughs> เฉพา ะ, ะ้งำคำตั้งคืนมานะ่ยเขาสมาธิ หายใจถ้าเราเคยทําเป็นเนื้อใสพูดปัญเนื้อใสเป็นวัฒนาเป็นบารมีเป็นวัฒนารรเป็นบารมีแล้วพอเย็นอกตย็นใจก็เป็นเ น, นียดใสแบบเหมือ น, นรถชนนั่นแหละถ้าติดเครื่องแล้วก็ควายจะทกครองไปใจของเราเหมือนกันเมื่อเวลาเปลี่ยนเราก็ทำนิจนาเดี๋ยวก็เลาคอดูใจใดูใจไม่ไดชื่อผู้รมแต่งใจรักษาใจ อย่างนี้ในตัวของเรามีกายกับใจใจเป็นนายกายเป็นเบาใจจะสั่งให้กายทำอะไรถ้ามีสินทำสั่งให้ปฏิบัติทำอยู่ในสินในธรรมแต่ใจไม่มีสในธรรมก็สั่งให้ทำบาปสั่งให้ไปตกมารกเลยเพราะฉะนั้นกายกับใจอาศัยซึ่งกันและกันนี่แต่กายอย่างเดียวถ้าไม่มีใจก็เรียกว่าคนตาย ได้ไปได้ทได้รูปบารูปดีทั่วของเขาของเราชีวิตเขาชีวิตเราถึงจุดนี้แล้วเมื่อก่อนดูด้วยคนร่มเย็นกันจบบนที่นเป็นจบเป็นจท้านี่ยนะถาก็เห็นแบบก็เป็นโอกาสดีพระเจ้ากระตงพวกเน่ครูบาอาจารย์ไปดูเป็นที่พึ่งทางใจ นักที่เพิ่มกำใจทั้งคนไม่เข้าใจก็ว่าบ้านเราก็มีที่อยู่เยอะแยะอะไรก็บสบายม่อยู่เมืองนอกเมืองหนาอะไรไม่เข้าใจเป็นอนันแต่ผู้เข้าใจก็ไปได้ดูได้เห็นได้รู้มายังไงแล้ว <c oughs> แนวทางผมผู้เจเ้าไปให้ไปโปรต <c oughs> โปรตสถานที่ ยังบางประเทศอ็ยังแตาลีบรึที่ไหนก็นยังมีพระเจ้ากระผมยังนัดที่ศาสนาเข้าไปเยอะแยะไอ้บาประเทศที่เขเหมือนกน <c oughs> ันก็เริ่มโดยอรัฐบาทลําหมู่บ้านก็จะมีใส่บาทอะไรบ้าง ไม่ใช่ก็ว่ามนทำการทำงานอะไรก็มีหมดแต่ไปขอคนอื่นไม่ไปปด้ไปขอไปโบสถไม่ไป้ไปเจ้าไปโบสถ์อะไรแต่มีผู้มีศรัทธาคนเชื่อคนร้อมใจไม่ใช่ไปเอาของไปโบย่าโยมให้เพื่อศรัทธาไม่มีศรัทธา คนไม่ใช่ไปเอาของถ้าคนเป็นคนรู้คนหนึ่งได้มีจิตศรัทธาคนหนึ่งก็งมี อ, ม <c oughs> อาณาสงส่วถ้าเขาได้รู้ได้เกิดศรัทธาขึ้นมาก็บอกกันไปเรื่อยไปเรืยอยก็ขยายไปเรื่อยทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงพระที่สูงสงไปเผยแผ่พุทธศาสนาประเทศไทยต่างประเทศจะมีพระพุทธศาสนาได้ยังไงถ้าเอาง่ยายๆจะพักประเทศดีย เ ว, วลาที่พระองค์ละกได้ก็เลยพระสูแล้วีไปเผยแผ่พพุาทธศาสนาตามจมพูทวีตามประเทศต่างๆต่างามณฑลต่างๆตุ้ม <c> ค <oughs> นที่ได้รับตร น, นี้นี่นก็จะได้กรณีละจิตธาตุคนเจื่อคนน้มใจอาลาดตานาญที่มองทีเจ้าพระสงฆ์ข้นไปคือพระอาจารย์มีจัรารดมานั่ง บ, าบาาง้านมังเฒ่ามาเป็นที่สุ ใหจให้พรก็เป็นสิริก็เป็นมงคลได้ดูได้เห็นได้ลูกได้ยินได้ฟังสมานานัจจะรัตนังเอตมังกระพุตมังได้เห็นพระสมานานัจจะรัตนังก็ได้เห็นได้ชัตตนาได้เห็นเอตมังกรมรมุตมังเป็นมงคลไม่เหมือนเห็นญาติโยมเห็นพระไม่เกิดเปรียบกันหา ไม่แต่บูชาคนเชื่อคนนับใสสิ่งไหนโยมเขาทำพระ ก, ก็ต่องออก์มดโยมปูงแกงผขขนเล็ปะห น, นังพระ ก, ก็ไม่ได้ปูงแกงโยมนุ่งเครื่องหงมประดาปรับประดาต่างๆพร ะ, ร ะ, ระผมก็ไม่ได้ประดประดาใช่สีอย่างเดียวรู้ว่ากับสีนั่นไปออกนอกว่ากัสีเดิมไม่มีเนี่ยเครื่องทําให้จิตใจแสวงแต่ทางที่ไม่ดีแสวงแต่ทางที่ไม่ดี เกิดวิจารคือจมันจ ะ, จะานานั่นจละลัคนางมันเห็ให้ยินได้ฟังวัวพระพุทธมณลปฏิเกิดลเพื่อนลความใสเพราะมันไม่เกิดกินเลยสัวพระพุทธมณลไม่ได้เหมือนรองรับทำเพลงโ <c oughs> ียเฉพาในนิพพะกรรมาฐานที่ไม่มีขาที่จบไม่เป็นส่วนแบบสนุกสนานแบบสรพันยักแบบอะไรภกษาภาษามัคคะ ภาษามัคคตเด็ ก, กวัดตรวทพระพุทธมนต์ภาษามคคตเป็นภาษาของพรนะพุทธเจ้าแล้วันกรณีพวกเราเราได้ปฏิบาาัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสีเป็นมงคลนะั่นคืกุศลที่พวกเราได้ทำ เป็นสิงนี้เ็นมุมบนเป็นมุมกุศลมุมกุศลตัวนี้มุมกุลทุกรุมตัวมุมที่เก่ามุะทำใิ้ผัวตุ้มผุน้อได้ะุดปัดมาได้จงมันรวมกันจงกป้องปกป้องก็แล้วนี้ไดมทุกรานได้ที่าเนอกมีตะกนทุกคนเจริญทุกกายทุกใจหจากทุกทุกพวกไปกับงานที่ใดกัเงินทีดกับธนาคารที่ใดประจุตระเวนตุนตระเวงดำหัวพัฒนาหาลงทุนที่ทุกต่างก นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสังปุตตะสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมะสังปุตตะสะกรสุขินังสุขินังเมาังตเมาังธาเมธาริสุทธังาริสุทธัง อาสาวะอาสาวะกายวะหังกายวะหังของตุของตุขัวกข้าพเจ้าพั้วข้าพเจ้ายินดีให้ทานยินดีให้ทานของทานของทานขั้วข้าพเจ้าขั้วข้าพเจ้าได้มาแล้วได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์ ทิฏฐิทานวิถีอนุโมทน า, ารัก บ, บุญบกุศลจักข้าข้าพเจ้ า, า, า, าแลจงไปสูสปส่สุขติสอทั้งท้งขาารเจ พวกาเามีแต <unlucky S 2> ่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญรกกายสุขใจรุกกายสุขใจจากทุกโทกโรคภัยจากทุกโศกโรคภัยทำงานการเงินจิงใดทำงานการเงินสิ่งใดกจงสำเร็จจงสำเร็จกจงสำเร็จจงสำเร็จผมรังความปรารถนาผมดงความปรารถนาถงทุกประการเถิดประการเถิด วัดตัอนตวสมมาสมบทติสักนะโมตัสสะภะคะวะตัวหตัสมมาสมบูตสนะโมตัสสะภะคะวะตรหัตัสมมาสมบูติส ธรรมสารนังกัจจามิสังฆสารนังกัจจามิดูติยัมปิพุทธังสรนังกัจจามิดูติยัมปิธรรมสรนังกัจามิดติยัมปิสังฆสรนังกัจามิตติยัมปิพุทธังสรนังกัจามิ ตัติยมปิทัมมังสรนังกัจามิตติยมปิสังังสารนังกัจามิโกธมิารนังอันดาโกธมิสารนังวังเอเตนะสะเจวเชนะสดิเทโอตุสปะดา นาทีเมสรานังอันยังธรมโมเมสราังวรังเอเตนะสะเจวะเชนะโสทิเตหตุสะดานาทีเมสรนังอันยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสะเจวะเชนะโสิเตหตุสะปดา สัมภะวายปริมานังันโตจะติวิญอสัมปาังอเวระอสปตังทัจรังนิสินโนสยววายวตาวิตมโตเอตังสติติสยาพรมเมตังวิหารัิมห จอนุกัมมารสิระวาจเนนสัมปันโนกลางมิสุวินยเจตังนหิจัตุขปัสยัมปุนาเรตีตอะมโมอะปโนธรมโมอะปมโนสัโคปะมานวันตานิสิริสปปานิ อาิ S <S <ess> ิ <S <S <ess> ิกาสัตตาปาริอุณนาภิสารปูมุสกาคาตามรักาคาตาม m ปาริตาอาลิขังอันตุพุตานีโซหังนโมพระกัตนนโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธาน มังกรังราคันตุสาวเทวตาสาวาตุธานุภาเวนาสดาโสติปวันตุเตบาวตุสาวามังรังราคันตุสวเทวตาสาวาธมานุภาเวนาสดาโสติปวันตุเต ปาวตุสาปังการังรักขันตุสาวัดเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสล